ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รงพระโพธิญาณในวันนี้ก็มาถึงเรื่องก็เรียกว่าภุเรนิธานคือเป็นการเล่าประวัติของพระโพธิสัตว์ในพระชาติที่ได้รับการพยากรจากสำนักของพระพุทธเจา้าแล้วทำให้สถานะของพระองค์เป็นนิย ต, ะะต๊ะโพธิสัตว์ คือแน่นอนว่าจะได้สัสรูเป็นพระพุทธเจ้าแต่อี ก, อกนานไกลนะฮะพระทรงบำเพ็ญบา ร, รมีประเภทที่เรียกว่าปัญญาทิกะคือใช้บารมีเป็นหลักไอใช้ปัญญาบารมีเป็นหลั ก, ญญญญ เ, ลกเวลาของการมาเป็นเพียงก็เรียกเสีอสงขัยกับกไมแสนกับเป็นข้อความที่ปรากฏในอัตถกถามาธุรัฐะเวลาสีมี อัตกถากุฏิกานิกายนะครับพุทธวงพุทธวงก็เป็นการเล่าเรื่องความเป็นมาของพระพุทธเจ้าก็มีข้อความว่าในอดีตการนานไกลพระพุทธเจ้าของเราได้บังเกิดเป็นพรามนกคนหนึ่งชื่อสุเมธธรรมนก ก็บังเกิดในสกุลพราหม์มหาศาลที่มีฐานะบางคั้งร่ำรวยมากแล้วก็เป็นลูกโทนของสกุลที่สืบชั่วกันมาเจ็ดชั่วสกุลเนี่ยลูกโทนล้วนๆเลยเมืองที่ท่านเกิดเรียกว่าอมราวดีนครในฐานะที่เป็นบุตรพราหม์ก็จบสายเพศและเวททางกษัตริย์ตามธรรมเนียมพราหม์ตัวนี้ที่จริงเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะฮะ เกี่ยวการศึกษาประวัติของศาสนาเนี่ยเทยาตามปกติแล้วเราจะต้องจับหลักสามหลักหลักแรกเรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์หมายความว่าเรื่องราวหลดนั้นสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ในด้านของประวัติศาสตร์แต่คําว่าประวัติศาสตร์นั้นเองมันได้บ่งบอกอะไรอีกอันกัหนังด้วยคําคําเดียวนะคะคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ย มันบอกเศรษฐกิจบอกสังคมบอกการเมืองบอกการศึกษาบอกวัฒนธรรมบอกลักษณะาอาชีพการทํามาค้าขายวิถีชีวิตของบุคคลอะไรแต่มันเยอะเอเกินนะคําำเดียวคําว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันไปซ่อนอะไรไว้อนเนกนันเพราะประโยคตรงนี้อาจจะเป็นประโยคที่อย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะว่ามันมาจากอันตรกถา ไม่ใช่บาลีประไัรบิดกพุจวัจนาแต่ว่ามันก็ทําให้เรามองเห็นว่าความเชื่อในลัทธิไรเพศเนี่ยเวททางกษสตร์หรือถ้าเราจับหลักตรงนี้มันก็ไปเกิดขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ของพราหมณ์ทันทีเพราะอะไรเพราะว่าปรัชญาของพราหมณ์เราศึกษาประวัติศาสตร์ของอารยันของอินเดียนะฮะของของอินเดียในปัจจุบันย้อนอดีตไปไกลไลิบหล่นเนี่ย ทือวกนี้จะพูดเรื่องยุคพระเวทไว้อย่างมากก็ประมาณห้าพันปีแล้วก็บางครั้งบางคราวก็พูดแค่สองสามร้อยปีก่อนพุทธกาลตอนนั้นเองแต่ตัว น, นี้อย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตไปสี่แสนสงไข่กับก็ไม่แสนกับก็แสดงว่ามนุษย์ในยุคนั้น คือชมพูทวีปในยุคนั้นจะเรียกชื่ออย่างไงไม่รู้นะฮะเขาเรียกว่าอเมราวดีเมืองนั้นเรียกเอเวะเรียกว่าอเมราวัดีแต่ว่าตัวทวีปหรือว่าตัวประเทศเนี่ยมันเขจะเรียกว่าไม่เรียกวอินเดียแน่นอนเนยนะฮะคงไม่เรียกวอินเดียแต่จะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ ก็แสดงว่าการศึกษาไตรเพศและเวททางศาสตร์มันจะต้องมีการศึกษาต่อกันไปว่าจริงๆนี่มันเริ่มต้นจากตรงไห น, นพอวิเคราะห์ในแนวปรอวิศาสตร์แล้จะชัดเจนนะฮะว่ามันเกิกดการแยงกันเพราะนี้มันไกลเหเกินแต่ว่าของพราหมณ์เนี่ยพูดไว้ก็นเนี่ยประมาณตั้งห้าพันปีแต่ยังนึกว่าในคมภีพราหมณ์เอง ก็ไกลกว่านี้ไกลกว่าที่นักประวัติศาสตร์เขาพูดเอาไว้พอดูแล้วถ้าเราดูในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงไตรเพศนีมนน่มันมานเหลือเกินสรุปว่าโครงสร้างสังคมไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่หมายความว่าการศึกษาคงจะสืบต่อไปตามสายสกุล ราชกุมารก็ศึกษาไปอย่างหนึ่งพระองกุมานก็ศึกษาไปอย่างหนึ่งลูกพ่อค้าก็ศึกษาไปอย่างหนึ่งแต่ลักษณะที่แปลกของท่านก็คือว่าเป็นลูกโทนที่สืบต่อมาได้ชั่วเจ็ดชั่วสกุลท่านจบใจเพศโดยทางกษัตริย์แล้วก็เป็นเป็นลูกที่ก็ต้องทนุทนอมมากเป็นพิเศษเพราะลูกโทนนสกุลเขา ผมก็นึกภาพว่าญาติโกโหติกานี่มากมายกายกองก็มาห้อมล้อมกันเป็นการพิเศษมีรับการอกใจมากแต่ว่าคนที่มีวาสนาบารมีมันคิดเป็นเหมือนคนอื่นหรอกเพราะเมื่อบรรดาบิดาตายไปเนี่ยจะาหนที่ ดูแลทรัพย์สินท่านเรียกว่าสิริวัฒกะอามาตรกดําบัญชีทรัพย์สินเงินทองที่สืบต่อกันมาเจ็ชั่วสกุลเนี่ยทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นะเรานึกดูทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นี่มีลูกทรท์หมดเลยเจชั่วศกุลทรัพย์สมบัติต้องก็ไหลหมาตกอยู่ที่ท่านทั้งหมด เขาบอกจำนวนทรัพย์สมบัติขึ้นมาถ้าคนอื่นแล้วก็ดีใจตายเลยไม่ต้องค่าแย่งมรดกกันด้วยท่านตกใจนะแล้วท่านก็สลดท่านบอกว่าทรัพย์สมบัติมันปรากฏอยู่แต่ว่าตัวเจ้าของทรัพย์สมบัตินั้นไม่ปรากฏแล้วไม่ใช่ปรากฏรุ่นไม่ปรากฏรุ่นเดียวมันไม่ปรากฏเรื่อยมาตลอด ท่านเหล่านั้นมุสาทำงานด้วยความเหน่อยยากลำบากเก็บอมถนอ ม, ท, นอมทรัพย์สมบัติเอาไว้ผลสุดท้ายก็จากไปแต่ตัวมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแม้แต่หนึ่งกะหาปณะยังเอาไปไม่ได้เดี่ยวนี้ก็มาถึงท่า น, ท, านท่านถ้าทำแบบนั้นมันก็คื อ, ค, อคือกัน หมายความว่าท่านก็คงจะตายแล้วก็ทิ้งทรัพสมบัติไว้ให้ลูกเน่ยโอกาสต่อไปก็ต่อต่ อ, ต อ, ตอไปพี่เบไม่มีความพอใจยินดีในทรัพสมบัติไอ้ น, นี่คือประเด็นที่เราเห็นเราเห็นชัดเจนนะฮะว่ากิเลสเนี่ยมันจางคลายลงไปเยอะโคตรระดับประโพธิสัตว์จริงคิดอะไรไม่เหมือนกับคุณเขาแล้วพอเราสามัญสำนึกของเราไปคิดเนี่ยนะ มันก็จะคิดแบบเราคิดคือจากการฟังการคุยกับชาวบ้านบางท่านนะ่ะนะแต่ตอนมองพระเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ทึ่งมองในแง่ร้ายเกินไปบอกว่าโยมคิดอย่างนั้นบวชไม่ได้หรอกคิดโดยที่โยมพูดบวชไม่ได้หรอกเขาไม่บวชกันหรอกบางคนบวชเขาจะคิดอีกเรื่องหนึ่งนะเขาไม่ได้คิดเหมือนกัน แล้วก็บวชจะเจริญในพระธรรมวินัยได้นะแน่นอนแหละคนที่บวชมาเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมันก็มีไม่ใช่ไม่มีหรอกปฏิเสธไม่ได้มันก็มี ท, ทุกทุ ก, ทกสมัยแหละแต่เป็นกฎความจริงอย่างหนึ่งนะฮว่าตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นยังเป็นสิ่งดีมีค่าที่คนเขาต้องการเนี่ยการปลอมก็เกิดขึ้นตลอดนั่นคือกฎที่เราต้องยอมรับไป ในขณาที่มีทองดีปรากฏเป็นที่นิยมของคนในโลกในทองปลอมมันก็เกลือนโลกอยู่นี่นะเพชรเป็นที่นิยมของโลกเพชรปลอมมันก็เกิดนโลกอยูนี่เป็นธรรมดานะครับศาสนาก็เหมือนกันการที่มีคนปลอมเข้ามาบวชอาศัยรูปแบบของศาสนาในลักษณะต่างๆก็ แ, แสดงว่าศาสนามีดีคนจึงปลอมเข้ามา อาศัยประโยชน์จากศาสนาส่งนั้นแต่เราก็ต้องแยกให้ออกมันก็เป็นท้าทายสติปัญญาของเราเมือนก็ทองปลอมเพชรปลอมแหวนปลอมอะไรแต่ไรปล อ, อมสตางค์ปลอมเนี่ยวันท้าทายสติปัญญาของมนุษย์มันก็ดูหรีกแบบอย่างเงี้ยอย่างวันก่อนไปติดตามรายการอะไรถอดรหัสหรือแต่เกียร์กับศาสนานต้องติดตามทุกเีือนะฮะเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเคลื่อนไหวอะไรไปยังไง คือมามองแล้วก็ค่อนข้างเฉยๆคือมันเป็นอย่างนั้นเองคือแสดงว่าพระพุทธศาสนาเราดีดีโดยจากความดีของศาสนานจุดอ่อนก็คืออยู่ในการบริหารพระศาสนาการบริหารการจัดการพระพุทธศาสนาพระที่ธรรมนั้นได้ลุกโพลงชัชวานขึ้นมาในยุค ข, ของสมเด็จพระมหาสมาเจ้ากรมยาววิชันโรร บุรพาจารย์ยุคนั้นมีแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากภูมิธรรมสติปัญญาสูงส่งมากแล้วก็มีอยู่ทั้งสองนิกายนะฮะทั้งธรรมยุทธมานิกายมันเป็นยุคที่ยุคอะไรก็เรียกว่ายุคปรับปรุงบ้านเมือง น, นะฮะทางผู้ใหญ่ทางข้างนอกก็ดีเยอะๆเลยเกิดเกิดมาทางพระเราก็มีพระดีเกิดขึ้นเยอะเลยเกิด รุ่นพวกลูกสิทธิ์ล้านสิทธิ์ของสมเด็จพระอามาตย์อย่างต่อกันมาได้แต่ว่าถึงยุคปัจจุบันมันก็อย่างที่เราเห็นนะว่าประสิทธิภาพต่ําในการรับผิดชอบต่องานศาสนาเนี่ยแล้วก็บารมีก็ไม่พอท่านด้วยนะฮะโลกสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นเรื่องที่น่าหันใจด้วยกันเพราะในการเปลี่นแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ เป็นการพิสูจน์คุณค่าของศาสนาในขณนะเดียวกันก็ท้าทายสติปัญญาของพุทธศาสนาขนีดชนไปกันไปกกนแยกออกไม่ล่ะไอ้ไหนทองแท้ในทองเทียมไหนเพชรแท้ในเพชรเทียมไหนพระแท้ไนพระเทีเทยมมันก็ปนๆกันอยู่กันนะมันก็เหมือนแก่ข้าวเปลือกแก่ข้าวสารมันก็อยู่ปนกันในที่เดียวอะคุณเลือ ก, กได้หรือเปล่าจะเลือกไม่ได้ก็ยิงข้าวเปลือกไป เปลือกมังคุดกับเนื้อมังคุดต้อมาอยู่ด้วยกั น, นแน่นี่ก็คือธรรมชาติเพราะในการการมองปัญหาตรงนี้เราจะเห็นว่าทรัพย์สมบัติขนาดนี้แล้วมีคนคนหนึ่งมองโดยไม่อะไรจะดีจะมีความคิดเป็นระบบว่าตัวทรัพย์สมบัติเนี่ยมันปรากฏแต่ว่าตัวเจ้าของทรัพย์เนี่ยไม่ปรากฏ ซึ่งถ้าขืนและสืบสารในแนวเดิมมันก็จบลงในสุดเดิมคือว่าทรัพย์ปรากฏแต่ว่าเจ้าของทรัพย์ไม่ปรากฏแต่ในขณะเดียวกันเพื่อจะรักษาทรัพย์เพื่อบริหารทรัพย์มันต้องเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องการงานเกี่ยวข้องธุรกิจต่างๆอีกเป็นอันมากและบาปมันจะเพิ่มขึ้นอีกแยะเลยจะมีสัตว์ล้มตายจะมีคนบาดเจ็บล้มตายจะมีการสูญเสียพรากอีกเป็นนันมากนั่น คนคิดได้อย่างนี้ไม่จะธรรมดาเราจะพบว่ามีคนเป็นจำนวนไม่มากนักที่คิดได้เราเห็นว่าอย่างพระของเราในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเเดี๋ยวนี้ก็มีนะลูกเศรษฐีที่บวช ด, ด้มีในวัดรวงก็มีทั้งหลายลูก เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นผู้จัด ก, การเร็นผู้อำนวยการบริษัทแล้วก็บวชเงียบไปบวชแล้วบางทีก็เข้าป่าห้ไปเลยไม่ได้มีเยอะนะแต่พู้นี้จะไม่ไปเที่ยวอวดว่าได้ปริญญาได้อะไรอะสู้บางแห่งไม่ได้เขาอวดเรื่องปริญญาคนก็แห่ไปนับถือพระปริญญากันก็ตลกดีนะฮะว่าไอ้การการมองโลกเนี่ยโลกกัะทั คือการมองโลกโลกเรียกว่าเจตคติทัศนคติโลกทัศน์วิสัยทักแษะแต่จะเรียกเนี่ยเรื่องอย่างเดียวกันเนี่ยการมองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญปัญหาสําคัญเราคิดยังไงเรามีท่าทีต่อเรื่องนั้นยังไงทรัพสมบัติมันเป็นเรื่องสมมติบัญญัติที่ชัดเจนมากแต่สมมติบัญญัติอย่างนั้นก็เถออ แต่ที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายสาบเท่าที่ยังไม่รู้ว่านั้นคือจริงวิเทศเห็นไหมคนอาจจะยื้อแย่งทองกันอุตรลดได้แต่พอพิสูจน์ว่าทองปลอมตั้งคนทั้งนไม ใ, นใครอยากได้เห็นไมมันเป็นตานามันเป็นอุปาทานมันเปิดเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาภายในใจของมนุษย์แต่ว่าโพธิสัตว์ท่านสัมผัสด้วยปัญญา เมื่อปัญญามันเกิดเนี่ยโลภะราคะมันลดมองเห็นการเกิดขึ้นการดำงรงอยู่การทำลายจากตัวคนจากตัวทรัพย์แล้วก็มาถึงท่านโครงสร้างความคิดอย่างนี้ที่จริงเปนโครงสร้างเดียวกันกับที่เจ้าชายศิษถาคิดตอนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่วันนั้นท่านแก่ให้ดูทั้งเจ็บไปดูท่านตายดูนะก็มายความว่าเราก็ศึกษาจากสมนักครูเหล่านั้น แล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตชัดเจนมากยิ่งขึ้นเก็จบลงด้วยการกราบทูลให้ประราชาตีกรองประกาศไปทั่วปนนครแล้วก็ให้ทานแก่มาชนบ้างสงเคราะห์ค่าทาสบริวารในตั้งตัวไปหลับเป็นฐานบ้างแล้วก็มอบให้แก่แผ่นดินบ้างจัด ก, การกระทับสมบัติจนไม่เหลืออะไรแ ล, แล้วตัวเองก็ออกพนวด คามคิดแบบนี้จะเจอเยอะในชาดกจเจอเยอะบางทีออกบวชน้องสาออกบวชเป็นฤาษีด้วยออกบวชเป็นตาประศิทีไปด้วยแล้วท่านออกบวชบำเพ็ญพลดอยู่หน้าภูเขาชื่อธรรมิกธรรมิกะพื้นฐานทางจิตสูงมากบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญญาบำเพ็ญเพียรทางจิตมาไม่นานก็ได้บรรลุ ไม่จธรรมดานะฮะบรรลุอภินยาอภิญญาหกแล้วก็สมา บ, บัตแปดไอ้ตรงนี้ก็อีกแหละคือสมา บ, บัตแปดเนี่ยมันปรากฏในสังขยาเป็นคำสอนของพวกท่านกบินลุนีนะแล้วก็ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าก็คือท่านอาลาดาบุตุทกนารก็สอนในเรื่องแบบนี้แต่ถ้าหลักฐานตรงนี้ นอจากหลักฐานตรงนี้ก็แสดงว่าการเจริญระดับสมาธิเนี่ยสมาธินจนบรรลุอรูปฌานมันมีมานนานแสนนานถ้าเราสังเกตจากชาดกล้วจะพบว่าอภิญญาหกกับสมาบัตแปดเนี่ยมันเจอบ่อยแต่พวกนี้ที่จริงมันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันตัวสมาบัตเนี่ยเป็นเหตุสมาบัตก็คือจิตสิกขา ก็แสดงว่าถ้าองค์อริมักก็คือเท่าไรล่ะองค์อริมักหกข้อนะหมายความสมมาวาจาสมมากรรมันต์สมมาชีวะสมมาวายามะสมมาสติสมาสมาธิก็ไปถึงตรงนั้นแต่ว่าสมาธิฏิสมาถังกะปะเขาก็ไม่สมบูรณ์พวนั้นก็ไม่ถึงสมบูรณ์หรอกแต่ว่าก็ได้สมาบัตแปดเพราะถ้าสมบูรณ์ก็เป็นปัญหาขามีไปได้ ตัวน้ก็ระดับสมาธิแล้วแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านก็เข้าใจนะฮะท่านเข้าใจว่าท่านก็บรรลุอย่างท่านลาลาบทกาลาโมโคอุตตะกาดาบทนี่ท่านก็ถือว่าจบแล้วตรทั้งที่ท่านจบกนละชั้นกันนะฮะท่านก็คิดว่าจบแล้วโดยเฉพาะท่านอาลาบทก็น่าจะคิดนะฮะอุตตะกาดาบทเหนือไปชั้นหนึ่งมันก็แสดงว่าท่านยังไม่จบอ่ะยังมีอีกชั้นหนึ่ง แต่ท่านกะตังคนนะก็คิดวจบแล้วนั้นก็คือเรื่องของความปักใจฝังใจในแนวอุปาทานถ้ามาบัตแ8ก็คือรูปประชาน4รี่รูปประชาน4รี่เป็นการปฏิบัติพัฒนาจิตใจสงบจากมิวรนลงไปโดยลาดับเราก็จิตใจก็ประนีตไปโดยลาดับ แต่ว่าแทนที่ท่านจะแยกที่ตนจะตุทะฌานนั้นไม่แยกก็ไ่ไปต่อขึ้นไปที่อรูปฌานสี่แต่มันก็ก่อให้เกิดผลเป็นอภินยาพวกอภินยาเนี่ยเรียกโลกิยาอภินยาอภินยาเนี่ย ม, มันถ้าเป็นโลกิยาแค่ห้านะ ตอะนั้นที่ท่านท่านท่า น, านสุมเมตดาบบันลุนี่มันก็แค่ห้ามันไม่ใช่ถึงหกเพราะถ้าหกก็ทําเป็นพระอรหันต์น่ก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเรื่องเรื่องอภิญญาอภิญญาห้านั้นก็คือหนึ่งมโนมยิธิมโนมยิธิมีฤทธิ์นธในทางใจก็ลักษณะคล้ายๆกับ สามารถกำหนดจิตเพื่อจะไปปรากฏ ต, ตัวในที่ใดที่หนึ่งได้ไดก็เรียกว่าถอดจิตได้นะ ส, สะทรงอุปมาว่าเหมือนกับถอดแต่ซสา้ ย, ยาปล้องออกจากปล้องของยาปล้องลักษณะแนวมโนมีิตนี่พระพุทธเจ้าใช้บ่อยโดยเฉพาะใช้กับพวกภิกษุณีภิกษุณีเวลาท่านเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยพอถึงพวกวิปัสสนาญาณเนี่ย พ่าจะเกิดสยองเกิดกลัวเพราะเห็นสังขารเกิดดับแล้วมันทียิบแล้วมันน่าสยัดไอ้มันมันน่ากลัวก็เรียกพยาตุ ป, ปัทานนิยานพระวิจ้าจะปรากฏพระองค์แต่ไม่ใช่องค์จริงนะฮรปรากฏเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปพิษุนีก็จะเห็นแล้วก็ลืมตาขึ้นก็เห็นพระวิญญาลอยอยู่ในอากาศแล้วจะเทศเทศะฟัง ให้บายฟังพิศุนีไปจับทางได้กิดสวายนะ mm. เกิดปิติกระโภตก็บรรลุผลเป็นมหาพิจ่าก็หายไปทําไมปรากฏได้ก็เพราะว่าปรากฏกับคนอย่างนี้มันท่านธรรมดาพราท่านบรรลุท่านเห็นเรื่องธรรมดาแล้วท่านก็ไปเอามาพูดแล้วไ mm hmm. อแม่อิทิริษแบบเนี้ยที่บางทีเราก็พูดว่าพุทธเจ้าไม่ใช้นี่ไม่จริงฮะแต่ว่าใช้สมหรับคนที่ไม่ปากโป้ง คือมายความมานั้นมีวาสนาบารมีเห็นฤิ์ปั๊แล้วก็ทางกบ็บรรลุผู้ายก็จบกันเป็นธรรมดาของท่านเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นเองได้มาทำได้ด้วยนะนนั้นก็ทําได้ด้วยจก็ ป, ปกธรรมดาปกติธรรมดาของท่านแล้วก็ต่อไปอีกที่นิธินั้นเป็นการไปด้วยตัวเช่นว่าเดินไปบนน้ำเหาะลอยไปบนอากาศอะไรอะไรเนี่ยือแทรกไปบนแผ่นดิน มันเป็นเรื่องรายละเอียดมากเรื่องของเกี่ยวก์กากรสินนะฮะส่วนมากจะหนักนะไปทางกระสินอาจารอธิบายไว้ในะอิทธิวิธานิเทศในวิสุทธิมากต่างสลับซับซ้อนนะฮะแต่ขนาดอ่านก็ยังปวดหัวเลยมันออาจริงก็จังมากนเพราะการไปการมาในขณะ น, นี้ที่จริงแล้วเป็นโลกิยะได้นะโลกิยะธรรมดาธรรมดานี่ได้ ด้งความคงนึกถึงอิสิปัตนาเมลิกาถายวันได้อันนั้นแหละเป็นเรื่องสืบเรื่องมาจากอภินยาของฤาษีที่ท่านเหาะไปโดยอิทธิวิธิเหาะไปโดยฤทธิ์ก็อิสิปัตนะแปลว่าฤาษีตกนะฤาษีล่นก็ได้เกิดขึ้นมาฤาษีกลุ่มหนึ่งนี่ท่านเลือนลอยไปบนอากาศแล้วพอดีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงฤาษีอยู่ในป่า คือไม่เห็นผู้หญิงไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่กันตึง เ, เดือดเดือดปีกกันพอได้ยินเสียงมันก็แปลงนะแปลงครูทันก็เกิดพอใจในเสียงก็หันกลับไปปั๊บเป็นรู้พอใจในรูปพอพอใจในรูปปั๊บเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวตัวไม่ยังไม่ถึงเงละนะเขาเรียกว่าสะกดไอ้พวกกามาชั น, นคือความรู้สึกประรักใคร่พอใจต้องการในทางเพศพอสมาธิแตกอันนี้ก็เสื่อม เสื่อมก็ล่นลงมาออแต่ไม่ถึงกับขาหักแข้งหักนะฮะประการประคองดยเนะี่นี่คือ ล, ลักษณะอิทีอิทมันเป็นริแต่มันเสื่อมได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงโปรดให้ใช้ในลักษณะปะเจจ์ปิเจอรอน ะ, ะมันไม่ใช่ไม่ใช้เลยเหรอกบางทีเราก็พูดอะไรพูดอะไรกันเกินไปนะอ่านอ่านมันทั่วทัหน่อย ท, ท, ทั่วไปหน่อยบางทีก็ ต้องการปฏิเสธใครสักคนหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธโครมไปเลยมันไม่ใช่หรอกพวกนี้เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะนะแล้วก็เป็นผลจากการไปบัติธรรมะด้วยแล้วเมื่อท่านได้แล้วท่านไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะแต่ว่าสอนแล้วท่านผู้ฟังก็บรรลุผลไปมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาสมัครท่านเหล่านั้นธรรมดาเหมือนนกบินธรรมดามันปลาว่ายน้ําธรรมดาทั้งหลายอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาของผู้มีฤทธิ์อะ ท่านก็รู้กันในหมู่ท่านผู้มีฤทธิ์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสมากท่านเสร็ว่านกบินได้เนี่ยสม ม, มุติว่านกบินได้แล้วต่างคนต่างบินแล้วกนทําไมเอามาอวดอะไรมันธรรมชาติของเขาอะ่ะมันเหมือนกับธรรมดาทั้งหลายของคนแต่ละคนดี่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาทำได้เนี่ยก็ธรรมดาสมากเขามันไม่ใช่ธรรมดาสมากคนที่ทําไม่ได้แต่นั้นเองเพราะผู้กอภิน ญ, ญาไปบอกความรู้อันยิ่ง แต่ว่าเป็นผลจากพัฒนาการทางจิตระดับฌานนะนะเป็นผลระดับฌานที่มันได้แค่ห้าข้อเนี่ยแล้วก็มีมาก่อนพุทธการคือนอกพุทธการก็มีอภิญญาระดับนี้อยู่กาแสดงเห็นว่าพระพุทธศาสนาก็มาเพิ่มกันอีกหนึ่งข้อนะคือสวัคยานทั้งฝั่งตรงไหน แต่ลงพระพธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปโบนในธรรมจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี